พระธรรมเทศนาแผ่นที่93ลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่7เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าวางแผนระยะไกลคณะสัทยาโจมลูกหลาน ลุงพ่อได้มาฉันที่นี่นะอันเนื่องมาจากเนี่ยทิดใบนะลูกชายของก็ว่าทิดคำนี้คล้ายๆก็ว่าทิดเนี่ยแปลว่าบวชช่วงข่าวปวดสามเดือนเบ้องปวชปีหนึ่งแล้วเขาเรียกว่าทิดนะถ้าว่าดวดนานๆอย่างตู้จานเนี่ยปวดนานๆเขาเรียกว่าตู้จานเนี่ยปวดหลายปีเียว่าตู้จานเป็นนักปราดอาจารย์นะนักปราดอาจารย์ แปลว่าทิตนี่แปลว่าบัณฑิตนักปราดว่างั้นแต่เป็นเบื้องต้นแต่ว่าอาจารย์เนี่เป็นอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีนะบวชแล้วไปอยู่ที่วัดนาคำน้อยของหลวงพ่อแล้วก็ไปเห็นเจนาธนะในวัดหลวงพ่อหลวงพ่อทาแต่หลังเล็กๆนะแต่ ก, ก็ท่านก็บอกอยากจะถวายพ่อกับกลุ่มญาติของท่านจะถวายกุฏิหลังเนึ่ง ราคาเท่าไหร่ขณะโยมเสียต้อมที่ขับรถมาเนี่ยเขาไปสร้างเมื่อปีก่อนๆกับหมดประมาณวันสี่แสนเกือบห้าแสนวันหลังหนึ่งนะหลังเล็กๆนะมีห้องน้ํามีน้ําประปาเมียแต่ไม่มีแต่ไฟฟ้านะก็สร้างนะประนี้คราวนี้เนี่ยท่านก็เลยถวายปัจจัยทุงพ่อกําลังเรเริ่มสร้างนะหลังหนึ่งนะนี่นี่ท่านถวายมาหกแสนขอให้ลูกหลานทั้งหลายอนุโมทนาเน้อปีใหม่นะพรปีใหม่ให้ลูกออืลูก ให้ได้บุญได้ลายกับเจ้าของบ้านเจ้าของบริษัทนะเนี่ยเมื่อครูบาอาจารย์พระสงฆ์ไปนั่งภาวนาอยู่กุฏิหลังนี้นะเะไปภาวนาถ้าว่าได้ท่านได้สําเร็จเป็นเป็นพระทหารในกุฏิของเรานะพวกเราเนี่ยเหมือนถูกหวยแจ็คพอดเลยว่าื <c oughs> อนนเถอถูกถูกหวยทวีคูณเลยเหมือนกนเอะเพราะท่านไปภาวนาท่านได้สําเร็จเป็นพระทหาร <c oughs> ใช่ไหมล่ะ เพราะนั้นเสนาสนะที่พวกเราลูกหลานทั้งหลายสัตย์ทายแยโยมทั้ง้หลายถวายไว้ในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นของใครไม่ใช่เป็นของหลวงพ่อหลวงพ่อมีแต่อํานวยในการก่อสร้างเท่านั้นเองในเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาในเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะขึ้นไปกล่าวคําถวายก็ได้นะในเมื่อมีโอกาสหรือไม่ถวายก็ไม่เป็นไรถวายเท่านี้นก็จบแล้วไงเออถ้าว่ามีโอกาสก็ขึ้นไปถวายเนี่พาตู้จานขึ้นไปถวาย ถวายเสนาสนะเป็นของสงฆ์เนี่ยนะที่วัดของหลวงพ่อเนี่ยทั้งหมดพันสาม้อยาิไร่นะลูกหลานนะที่วัดของหลวงพ่อพันสอยห้าสิไร่มีกำแพงล้อมรอบกำแพงล้อมรอบหมดทปีนี้ไอ้พวกป่าไผ่ทั้งหลายแหล่นะตุยญญานนะป่าไผ่ทั้งหลายแหล่นี่มันตายคุีทนไม่ไผ่ป่านะโอ้โหโอโกอแต่ละกอเนี่ยแต่ได้ก็เลยเอา เขาเอาเมคโคไปเอาไปเมโคไปทํางานก็เลยขอเมคโคขอไปช่วยทําให้ป่าบกอไผ่ลงเดือนกอไผมันตายคุยแล้วนะโอ้โหไม่รู้จะหาไม้ที่เรนไปปลูกคิดว่าจะเอาปลาดูมัก่าดตะเคียนทองไปปลูกเลยนะเออคงจะหลายเป็นคงจะหลายหมื่นต้นนะเออให้ลูกหลานช่วยหาก่าวไม้นะจะไปปลูกตรงเนี้วะ ปลูกพวกไม้สักกรดูมมะข่าแต่เคียนทองไม้ทองอย่างหละจะปลูกลงให้หมดถ้าเป็นป่าให้เป็นป่าคืนธรรมชาตินะพอวันเป็นมา้าปลาไผ่มันตายหมดอัน <c oughs> นั้นให้นี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลแล้วลูกหลานอ้าวลูกหลานนั่งประจําที่ห <c oughs> ลวงพ่อจะให้คณะสงฆ์จะให้ศีลให้พรเป็นิลิมงคลอย่างที่ ทายกโคศกพูดว่าทาบุญปีใหม่ไทย <c oughs> พวกเรามีทาบุญหลายๆปีใหม่ปีใหม่วันที่หนึ่งมกราปีใหม่สากลต่อใหม่ต่อมาปีใหม่ตุรจีนอีกอพอเราเป็นเชื้อสายเชื้อสายของแผ่นดินใหญ่ลูกชาวจีน เราก็ปีใหม่จีนเ้วก็ปีใหม่พื้นเมืองของพวกเราอีกตระกูลของพวกเราก็คือวันที่สิบสามเมษายเป็นวันปีใหม่ไทยนะสรุปแล้วปีหนึ่งพวกเรามีปีปีใหม่ปีใหม่สามปีนะลูกหลานนะอปีใหม่สากลปีใหม่จุดจีนเอตรุดจีนแล้วก็ปีใหม่ไทยวัน อีกไม่กี่วันข้างหน้านะเป็นปีใหม่ไทยนะลูกหลานนะวันนี้เป็นวันที่7เมษายนพุนทธศักราช2559วันนี้คณะสงฆ์หลวงพ่อได้ลงมาจากอุดรได้มาทำบุญเจ้าของบริษัทคือโยมสมชาย เตชะมันงามเตชะพันงามและก็แม่บ้านของท่านกับคุณรัตนาแต่ก็พร้อมลูกลูกหลานบริษัทบริษัทสมผลเบ r ดิงแวนแมทรสวิดัวินดัตตรีจำกัดตรงข้ออา่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ <laughs> ฮะวินวินดัสวินดัสวินดัสตรีใช่ไหมอินอินดัสเอออิ น, นดัสตรีจํากัดใช่ไหมอืมโอโอ้เขียนขยุบ ข, ขยีกเกินไปเว้ยลุงพ่อก็ไม่เก่งอ่านอีกต่างหากใช่ไมอมงานทําบุญบริษัท อ, องานนี้เป็นงานทําบุญบริษัท อ, อนานทีพวกเราจะได้ปีหนึ่งก็คงจะมีครั้งหนึ่งมั้งนะเออเนี่นแะ เสียใบเนี่ยไปบวช ท, ที่วัดหลวงพ่อปีห้าแปดเนี่ยนะเออก็เลยรู้จักมักคุณได้ทําบุญแล้วก็พร้อมกันคุณพ่อก็ได้ถวายที่นอนอในตำหนักของหลวงพ่ออีกปป <c oughs> แล้วเป็นปีเนี่ยนะปีห้าแปดเนี่ยระหว่าวันนี้นะว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งพวกเราคณะลูกหลาน ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ลูกหลานทั้งทํางานบริษัทที่นี่ด้วยนะได้มาร่วมรวมกันแล้วเพื่อทำบุญปีใหม่ในวันนี้ก็เป็นวันที่7วันที่13ก็เป็นวันตรดเป็นวันสงกรานของพวกเราเป็นวันปีใหม่ไทยขอให้ลูกหลานทั้งหลายตั้งอกตั้งใจปีใหม่ไทยในกรนีน่ะให้ลูกหลานเป็นคนไทยเช จะเป็นเชื้อชาติไหนก็ตามแต่เป็นคนไทยนะพวกเราควรจะตั้งตนใหม่เป็นคนดีสรุปแล้วทิงไหนที่มันไม่ดีในอดีตที่คิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีในอดีตพวกเราควรจะตั้งต้นตั้ ง, ต, ง, ต, ง, ต, งตั้งต้นตั้งตนใหม่ให้เป็นคนดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคนหนุ่มทั้งหลายไม่ว่าลูกของ โยมเท่าแก่ถึงอย่างเสียใบยเสียใบเนี่ยแล้วก็บลูกน้อ ง, องพี่พน้องน้องทั้งหลายตลอดถึงพนักงานทุกหมู่เหล่าพวกเราเป็นคนนมต้องมองให้ไกลอย่าไปมองใกล้มองไกลการมองไกลนั่นก็คืออะไรคือเราต้องเก็บหอมลอมเล็บตั้งต้นคนที่จะมองไกลมันต้องตั้งตนตั้งแต่บัดนี้ต้องมองปัจจุบันปัจจุบันเป็นสิ่งที่จาเป็นสาคัญ ถ้าหากว่าปัจจุบันดีอนาคตมันก็ดีนะลูกหลานนะถ้าหากว่าปัจจุบันตัวเองทำไม่ดีอนาคตก็มืดบอดไปหมดเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองทำไม่ดีในเดี๋ยวนี้สมมุติว่า เ, เราอยู่ที่นี่นะจุกลุกเคลื่อนมาแล้วเตะต่อยคนนั้นคนนี้เรื่ อ, อว่าทำร้ายทําลายคนอื่นเขาเดี๋ยวนีนะ้ปัจจุบันเออเ อ, อ, อีกไม่นานตำรวจก็จับแล้วก็เข้าไปขังคุก อนาคตของเราจะเป็นยังไงสิวันพุ่งนี้มลือนีปีต่อไปนะเนี่ยก่อนที่จะออกจากคุกทั้งออกมาจากคุกไรมืดบอดไปหมดเพราะนั้นปัจจุบันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญเพราะนั้นขณะนี้เดี๋ยวนี้พวกเราอยู่ยังไง เ, เป็นที่พอใจได้ยังในการทำงานของพวกเราเงินเดือนของพวกเราเหรือว่ากิจการของพวกเราทุกหน่วยทุกเรา ว่าพวกเรามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันมีแต่อยากจะได้แต่ล่างวันแต่พิจ้เกียรติทำงานบริษัทมันไปไม่ได้ขาดทุนเราจะได้เงินเดือนอยังไงเพรา ะ, ะนั้นต้องช่วยกันบริษัทต้องแข่งขันทุกคนออตั้งแต่คนกวาดบ้านตั้งแต่คนทำถนนตัออ้งแต่คนทำมีหน้าที่อะไรให้เข้มงวดกวดขันด้วยกันถ้าพวกเรามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันอย่างนั้นแล้วนะ กิจการหรือบริษัทของเราก็ไปได้เมื่อไปได้เนี่ยผลตอบตอบแทนก็ออกมางามพวกผู้ที่จัดการก่อนเฉลือเผื่อแผ่กันลางวันโบนัสก็ออกมาสวยงามได้แต่คำว่าพวกเราขาดทุนปนปี้โบนัสมันจะออกมาได้ยังไงอันนี้ก็เหมือนกันนะลูกหลานในเมื่อพวกเรามาทํางานตั้งใหตง้ตั้งใจทํางานเมื่อทํางานแล้ว เม sa ื่อได้เง right ินมาแล้วให้ร yeah. no ู้จักเก็บม่รู้จักเก็บใหู้ให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้นะถ้าพวกเราไม่รู้จักหาหากับชี้เกียรติในการหาแต่จะใช้เก่งมันก็ไม่สมดุลกันนะให้รู้จักหาและให้รู้จักเก็บพอเก็บแล้วก็ให้รู้จักใช้ก่อนที่จะใช้เงินเนี่ยเราหามายากกว่านที่จะได้เงินวันละเท่าไหร่วันละกี่ร้อยบาทเนี่ยกว่าจะได้เงินมาเนี่ยเงือตกไม่รู้ว่ากี่หยด เออแต่ละวันแต่พอเราใช้เงินใช้แบบไปคิดไม่อ่านมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะก่อนที่จะใช้เงินเราต้องคิดก่อนว่าเงินที่เราใช้ไปเนี่ยหบาท10บาทได้มีประโยชน์ไหมคุ้มค่าในการใช้ไหมเนี่ยเราต้องคิดทุกครั้งก่อนที่เราจะใช้เงินเมื่อเราใช้ไปแล้วกัเนี่ยเราต้องเก็บมีส่วนเกินมีส่วนเหลือแต่และเดือนนะสมมุติว่าเราได้เงินบือนหนึงเดือนละเมิอนอย่างนี้ เ, เราจะใช้เท่าไห ร, เเร่เราใช้เดือนละ5 0 0พันพอไหมทุกอย่างเราต้องมีวินัยในการใช้เงินอีก5 0 0พันนั้นให้เก็บไว้ในธนาคาร เ, เก็บไว้เพื่ออะไรเก็บไว้เพื่ออนาคตอนาคตก็คือวันพรุ่งนีนะ้ปัจจุบันดนะีอนาคตมันจะดีนะลูกหลานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดปัจจุบันเรารู้จักเก็บนะในเมื่อเราเก็บในปัจจุบัน เ, เดือนละห 5,000 ัน สเดือนกับหมื่นหนึ่งเออสเดือนกับหมื่ไล่ไปเลย4เดือนกับส0 0 0มื่ถ้าเราเก็บไปหลายๆเดือนก็เป็นเงินแสนขึ้นมาพอมีเงินแสนกัินล้านขึ้นมาเลยทีนี้เราก็อุ่นใจในฐานะที่ว่าเราเป็นผู้มีเงินอยู่ในธนาคารเอ่อเราก็คิดอ่านอะไรก็ออกได้เพราะว่าเราจะทาํามาค้าขายเราจะออกลงทุนอะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าว่าลูกหลานไม่รู้จักเก็บมีเท่าไรใช้หมด อิลุยช่ยแชร์เป็นหมดไม่มีวินัยในการใช้เงินนี่แหละไปอยู่ในสถานที่ใดก็จนพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นเราไม่ได้ไม่เราไม่ไม่ใช่ว่าเราผิดชอบรับผิดชอบแต่ตัวของเรานะเรารับผิดชอบทั้งครอบครัวบางทีก็แต่งงานเด็นก็มีโลกมีสามีมีภรรยาแล้วก็มีพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายอีกต่างหากในเมื่อท่านเหล่านั้นเจ็บไข้ได้ป่วยละ่ะเราจะหาเงินที่ไหนนี่แหละเราต้องวางแผนไว้นะลูกหลานนะ การเก็บหอมลอมริบเน่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานมาทําการทํางานนะ่ะเรื่องการเก็บหอมรอมริบเนี่ย <th> เป็นสิ่งจำจำเป็นอย่าไปใช้โชลุยโชไลในะเมื่อไม่จําเป็นถ้าเมื่อจําเป็นแล้วเออเอาก็ไม่ว่าการจําเป็นจะต้องได้ใช้นะเราไม่ใช้ว่าขีนต่นีทีเหนียวไม่รู้จักใช้ใชเฉลยกันนะไม่โตกใช้โชลุยโชไลเกินไปก็ไม่โตกนะเพราะนั้นให้พวกลูกหลานทั้งหลายมาทําการทํางานเป็นคนน้อยหนุ่ม หลวงพ่อยังเน้นอยู่เสมอว่าพวกเรานะเข้าไปชาคมอาเซียนนะลูกหลานนะพวกเราต้องเป็นตัวของตัวต้องเป็นหลักการทํามาค้าขายนะต้องเป็นผู้สุดจริตซื่อสัตว์สุดจริตซื่อตรงเป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลายไม่ใช่ว่าการทํางานอะไรทำไม่ดีแล้วก็แปลงปลอมในกิจการงานของบริษัทแล้ว แล้วบริษัทของเราจะเดินได้ยังไงเพรา ะ, ะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะ เ, เรื่องการทำงานให้ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานต่อหัวหน้าต่อลูกน้องต่อทุกคนนะั่นะความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยอยู่กับใครดีทั้งหมดนะลูกหลานนะถ้าหากว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่ดีถ้าหากว่าซื่อสัตย์แล้วนะ่ะกินไม่หมดถ้าคะกินไม่นาน ถ้าซื่อสาตละกินไม่หมดยาวนานถ้าคดโกงและกินไม่นานลูกหลานเนอเพราะฉะนั้นให้พวกเราซื่อสัตย์สุจริตในการทําการทํางานซื่อตรงมันขยันก็รู้จักเก็บรู้จักหาและก็พร้อมกันเมื่อมีอายุขึ้นมาเมื่อมีอายุขึ้นมาเราจะไปคิดว่าเราจะอยู่ตลอดไปไม่ใช่นะเะเห็นไหมปู่ย่าตายายของเราหายไปไหนหมดหายไปทีละคนสองคนแต่เมื่อกี้ในกระดิทราบข่าวว่านี่โยม ทายกท่านบอกว่าเนี่ยหลวงปู่ท่านจากไปองค์หนึ่งแล้วนะหลวงพ่อนะนี่แหละหลวงพ่อก็คิดอีกเหมือนกันขนาดพระยังจากไปเหมือนกันตายไปเหมือนกันนะลูกหลานเพรา ะ, ะนั้นลูกหลานทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นแหละให้ลูกหลานทั้งหลายการสาะแสวงหาทรัพย์ก็จําเป็นการสาะแสวงหาบุญก็จําเป็นนี่อย่างโยมเท่าแก่สมชายของพ่อเรากับคุณแม่บ้านของท่านเนี่ยแหละกับลูกหลานของท่านเนี่ยมาทําบุญอันนี้คือท่านส่อแสวงหาทรัพย์เข้าสู่จิตใจของท่านนะนี่นะเอ่ท่าน ท, ท่านส่อแสวงหาทรัพย์ภายนอกท่านก็นส่อแสวงหาหาเงินหาคําทรัพย์สมบัติแต่หาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจอีกส่วนหนึ่งต้องมีอันนี้คือบุญกุศลคือทานะในหลักของพุทธศาสนาทานศีลภาวนานทานหักเสียสละทรัพย์สมบัติทานมีอยู่ยยหลายหลายอย่างนะลูกหลานนะ เ, เรียกว่าอามิษทานก็คือเนี่ยข้าวน้ําโภชนาอาหารแนวาอามิษทาน วิทยาทานก็คือให้ความรู้กับคู่คนทั้งหลายเราวิทยาทาน อ, อ่อภัยทานคือเขามาล่วงเกินเรามาด่ามาว่าเราเออเราก็ให้อภัยเขาไปนี่เรียกว่าอภัยทานนี่นี่แหละมีมีหลายๆอย่างอาริสทาน อ, อ, อาริสทานคือให้อามิษวิทยาทานก็คือให้ความรู้ อภัยยทานคือให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเครืองนี่แหละการการให้ทานมันมีหลายหลายอย่างพราอิานั้นให้พวกเราทานก็คือ เ, เดี๋ยวนี้เรามาให้อมิสทานทําบุญกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอย่างหลวงปู่หลวงตานี่ยนะหลวงพ่อก็ไม่ใช่มไม่ใชใ่ไม่ให้ทานเหมือนกันนะหลวงพ่อให้ทานกว่าลูกหลานทั้งหลายนะเพราะหลวงพ่อเขามาบวชถ้าว่าหลวงพ่อไม่บวช พระทั้งเน้นทั้งหลายไม่บวชก็ต้องมีครอบครัวอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมีบ้านมีเรือนมีที่ไร่ที่นาที่รั้วที่สวนที่ทามาหาเลี้ยงชีพบริษัทห้ทางร้านฮะต้องมีแต่ในหลวงพ่อเนี่ยพระทั้งหลายบวชเสียสละไม่เอาละปีจะขอรักษาศีลภาวนาเสียสละทานหมดมรดกของเราที่ได้มาเนี่ทานให้ผี่ให้น้องบริจาคทานให้หมดในเมื่อได้สิ่งของมา อ, อ, อย่างที่หลวงพ่อมาเมื่อวานเนี่ย พอได้สิ่งของมาเอาบางทีก็เ อ, เอามาทําบุญที่อะไรลงทหารเมื่อวานนี่ยกรมทหารเขาเขาจะจะสร้างหอพระเอ้าหลวงพ่อเอาจะตุกปัจจัยของหลวงพ่อที่เขาถวายมาหลวงพ่อร่วมแสนแสนหนึ่งนะตั้งต้นไว้ก่อนนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะอะไรหลวงพ่อพระสงฆ์ทั้งหลายท่าอยู่ในวงของพุทธศาสนากรมไม่ใช่ว่าท่านไม่ให้ทานนะท่านก็ทําทานาทําทานของ ก, การเสียสละเหมือนกัน แต่บางองค์อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่สําหรับหลวงพ่อหลว ง, ง, งพ่อเนี่ยเสียสละให้ทานถาวายหลวงพ่อเป็นคารวา็เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายแต่นี้หลวงพ่อเขามาบวชเสียสละให้ทานออกหมดหน่อยเป็นพระเป็นผู้มีศีลทรงศีลรักษาศีลรักษากายวายจาเรียบร้อยจากนั้นก็สัทธายาโจงก่อทำบุญถาวายเข้าทำโภชนาอาหารตามเป็นปัจจัยสีของพระสงฆ์ก็รับ ตามความเหมาะสมอันนี้คือทานศีลคือคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้พวกลูกหลานได้ฟังน่ะรักษากายวาจาให้ยังไงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่โกหกไม่ดื่มสุราอันนี้ก็คือศีลรักษากายวาจาวาจาก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดสอไม่พูดเท็จไม่พูดสอเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดสิ่งที่หาสาระไม่ประโยชน์ไม่ได้ไม่ยุแยง กระแทงให้รั่วให้คนทะเลาะกันวิวาทกันอันนี้ก็คือวาจานีวาจาคือคําพูดนะรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวัดศีลเนี่ยอันนี้แหละคือการสวดแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนะ้ลูกหลานนะเออถ้าหากว่าเอ่อพวกลูกหลานทั้งหลายใฝ่ใจในการศึกษาเรียนรู้ในหลักของพุทธศาสนามีมากมายที่พวกเราจะต้องประพฤติปฏิบัติสรุปแล้วก็คือพวกเราตายแล้วไม่สูญหลวงพ่อย้ําอยู่เสมอว่า ให้ศึกษาจุดนี้นะให้ศึกษาว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกวิญญาณมีจริงตายแล้วไม่สูญ อ, อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าว่ามโนโปุพังคมาธรรมามโนเสธามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจให้ศึกษาเรื่องของใจใจคืออะไรถ้าว่าพวกเราศึกษาเราเราจะรู้ได้เป็นขั้นตอนนะ เ, เพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาเป็นหลักเหตุผลนะลูกหลานนะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะถ้าเราทําดีแล้วจะชั่วได้ยังไงถ้าเราทําชั่วแล้วจะดีได้ยังไงเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทั้งหลายนะจัดฐานญาติโยมทุกตกทานการบริหารจัดการตัวเองก็ อ, อ, อย่าได้ขาดตกบกพรองการบริหารจัดการผู้เกี่ยวข้องก็จะให้ขาดตกบกพร่องให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดี อยู่ที่ไหนล่มเย็นเป็นสุขไปหมดถ้าอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมแต่อยู่ด้วยกิเลสโลภโกรธโลงแล้วมีแต่ความเดือดร้อนวุน่นวายนะครับนะัตถายาโสมลูกห ล, ลานนะเอาต่อนี้ไปพระสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พรนะนัตถินระับพรนะเมื่อให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พวกเราก็รับทานอาหารตามอัธยาศัยเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ามาข้างในแล้วพระสงฆ์จะปรับพรนมน้ำพระพุทธมนตร์น้ําจะปรับพรนมน้ำพระพุทธมนตรเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคล วันปีใหม่ของพวกเราเนะลูกหลานนะต่ อ, ตอนนไปไปรับพรและขออุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณด้วยเออข้าพเจ้าได้มาร่วมทำบุญมาทำบุญในคราวนี้ของอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคนาญาติญาติพิศษหายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นจากทุกข์มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยงิขึ้นไป ทุกทุกดวงใจด้วยเถินเราคิดอย่างนั้นนะเราพอในเสน่หเนาะ